วนนี้ก็เป็นวันพระวันพระตามปกติก็จะเป็นวันขึ้น15คหาคำขึ้น8ค่ำขึ้น15คหาคำแรม8ดค่ำแรมส5บ้าคำหรือแรม14คร่ค่ำอันนี้เป็นปฏิทินทางจันทรคติคือการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ลวงจันทร์จะโคจรรอบโลกหนึ่งรอบก็ยี่สิบวันครึ่งสองรอบก็ห้าสิวันจึงมีวันแรมส4ครั้งมีสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วก็ส4สก็จะได้สองรอบห้าวันไม่ใช่ห0สิบวัน ญาติโยมอาจจะถามว่าทำไมมวันพระมีวันแรม14คำ่ำบางทีก็มีแรม15คหาคำเพราะว่าดวงจันทร์เดินรอบโลกไม่ใช่60วันต่อ2เดือนหรือ30วันต่อเดือนโคจรรอบโลก29วันครึ่งต่อหนึ่งเดือนได้ได้หนึ่งรอบในหนึ่งเดือนของ ของประจันจึงย9วันครึ่งเมื่อเป็นเช่นั้นวันพระก็เลยต้องมีวัน14่ค่ำเพื่อจะได้ครบถ้า15หาคำมันก็จะเกินถ้าสิบห้า15หสิบห้าไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น60ที่ความจริงมัน59มันเดินรอบโลกสองรอบ ในห้าสิวันก็เลยมีวันแรม14ครัทุทุกทุ ก, ทกสัทุกสิบห้าสิบห้าสิบห้าทุกส5สห้าแล้วก็มีวันขึ้นแรม8ครั้งเป็นวันพระว่าโดยเฉลี่ยก็อาทิต์ละหนึ่งครั้งสมัยก่อนเขาใช้ปฏิตทินทางจันทรคติ ไม่ได้ใช้ทางสุริยคติสมัยนี้เราใช้สุริยคติเราใช้การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในสา5อยหกสิบห้ายหสิห้าวันก็แบ่งได้สิบสองเดือนเดือนก็ไม่ครบไม่ไม่สมสิบเอ็ด มีทั้ง31มีทั้ง30มสมีทั้ง28หรือ29เพราะว่ามันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้365้าวันมันขาดนิดเกินหน่อยสมัยนี้เราเลยมิเราใช้วันหยุดตรงกับวันเสาร์อาทิตย์สมัยโบราณเขาใช้วันหยุดตรงกับวันพระวันโกนวันโกนนี้ ก็คือวันที่พระโกนผมวันโกนพระจะโกนผมเดือนหนึ่งจะโกนหนึ่งครั้งในวันพระวันโกนใหญ่เช่นขึ้นสิบห้าข้าขึ้นสิบสีข้าก็จะเป็นวันโกนผมวันก่อนวันพระคำว่าวันโกนจึงมีความหมายว่าวันก่อนวันพระแต่ไม่ได้หมายคำว่าเป็นวันที่พระโกนผมทุกวัน เป็นวันโกนของวันนี้ของวันพระนี้ก็คือเมื่อวานนี้เขาจะเรียกเมื่อวานนี้ว่าวันโกนแล้ววันนี้ก็วันพระแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นวันโกนผมของพระพระจะโกนเพียงเดือนละครั้งเดียวจะโกนวันขึ้นสิบสี่ข้างแล้วพอสิบห้าข้างก็เป็นวันพระวันพระใหญ่วันที่ พระอาจารย์เต็มดวงเรียกว่าวันเพนสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าต้องการให้พุทธศาสนิกชนนี้มีวันหยุดมีวันเข้าวัดมาทำกิจวัตรมาทำกิจกรรมของใจของจิตของใจจิตใจก็เหมือนกับร่างกายที่ต้องมีทรัย์ สมบัติไว้ดูแลวันที่ไม่ใช่วันพระวันที่เราไปทํางานเราไปทําอะไรกันเราก็ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพื่อที่จะได้เอามาดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่กันเป็นปกติสุขแต่ใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีทรัพย์สมบัติเหมือนกัน ทรัพ ส, บสมบัติของใจเราเรียกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในเพราะใจเป็นเป็นของภายในไม่ได้เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้ถือว่าเป็นของภายนอกใจนี้เป็นของภายในชีวิตของเรามีสองส่วนมีทั้งใจมีทั้งร่างกายเราจึงต้องมีทรัพสมบัติให้กับร่างกาย แล้วเราก็ต้องมีทรัพย์สมบัติให้กับใจด้วยคนที่ไม่รู้จักใจไม่เห็นใจก็จะไม่สนใจกับการหาทรัพย์สมบัติให้แก่ใจก็จะหาแต่ทรัพย์สมบัติให้แก่ร่างกายวันหยุดแทนที่จะเข้ามาวัดเพื่อมาหาทรัพย์สมบัติให้กับใจก็ไปหาความสุขทางร่างกายไปพักผ่อนทางร่างกาย ไปเที่ยวไปกินไปดืน่นไปเสพรูปเสียงกลิน่นรสเพราะเขาคิดว่าชีวิตเขามีเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวก็เลยต้องใช้เวลาให้กับการหาความสุขทางร่างกายวันทำงานก็ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาพอวันหยุดก็เป็นวันที่ใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไปเที่ยวตามแหล่ท่องเที่ยวต่างๆไปซื้อของต่างๆที่อยากจะซื้อของที่จำเป็นนะของที่ไม่จำเป็นของที่จำเป็นก็พวกปัจจัยสอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยของที่ไม่จำเป็นก็ของของเล่นของของดูของฟัง ของที่ทำให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการผ่อนคลายความทุกข์ที่เกิดจากการที่ต้องหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาที่ไปทำงานทำการพอวันหยุดก็เลยได้พักผ่อนไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดกับการทำงานกับการหาทรัพย์สมบัติ นี่เป็นเรื่องของคนที่เห็นร่างกายเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องดูแลและคิดว่าเป็นสิ่งเดียวเลยไม่ได้ดูแลจิตใจที่เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ อยู่ได้ไม่นานเหมือนกับใจร่างกายอยู่ได้ 80-90 ร้อยปีก็ต้องหมดสภาพไปตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้หมดสภาพไปกับร่างกายใจไม่มีวันตายร่างกายต้องการทรัพสมบัติใจก็ต้องการทรัพสมบัติเหมือนกันวันวันพระนี้พระพุทธเจ้าเลยสอนให้ พุทธศาสนิกชนมาเข้าวัดเพื่อมาหาทรัพย์สมบัติให้กับใจเรียกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในที่จะสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าไม่เตรียมทรัพย์สมบัติภายในไว้เวลาไปก็จะไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไป ก็จะไปแบบขอทานไปแบบเปรตไปแบบผีไปแบบเดรัจฉานไปตกนรกนี่คือที่ไปสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีทรัพย์ภายในติดตัวไปเหตุที่ทำให้ผู้ที่ไปอบาย ก็คือการไม่รักษาศีลหรือการทำบาปการทำบาปนี้จะทำให้เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วใจจะต้องไปรับผลบาปผลบาปก็คือเปรตอสูรกายนรกหรือเดรัจฉานอะไรเกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึง่ง ตามตาราหรือตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้การไปเกิดได้เป็นเดรัจฉานเพราะทําบาปโดยไม่รู้ว่ามีผลเช่นคนทามาหากินอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพูดว่าเป็นอาชีพสุจริตคิดว่าไม่ผิดกฎหมายทําแล้วไม่มี ผลตามมาคือตายแล้วก็จบพูดง่ายๆเพราะเขาไม่รู้ว่าผู้ที่ต่อไปรับผลบาป น, นี้คือใจเขาไม่เห็นใจไม่รู้จักใจไม่รู้ว่าเขามีใจเขารู้เพียงแต่ร่างกายเขาเห็นเพียงแต่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปใครจะไปรับผลบาปเขาก็เลยเห็นว่าไม่มี ไม่มีบาปไม่มีผลของการกระทำบาปเขาก็เลยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อยังเพื่อยังชีพถ้าฆ่าทําบาปเพื่อยังชีพนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานพอเดรัจฉานเขาก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อยังชีพสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเพื่อยังชีพเขาไม่ได้กินเพื่อที่จะร่ํารวยหรือเพื่อเป็นใหญ่เป็นโต เขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อให้ร่มให้รวยสัตว์นี่เขาไม่สะสมเขาไม่เขาไม่กินเขาไม่ฆ่ามากกว่าที่เขาต้องการเขาฆ่าเพื่อที่จะให้เขายัางชีพอยู่ได้คนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อให้อยู่ได้ก็เป็นพวกเดรัจฉานจิตใจเป็นเดรัจฉา น, นส่วนคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำบาปเพื่อให้ร่ำให้รวยให้มีมากๆตรงนี้เขาเรียกว่าพวกเปรตตายไปจะไปเป็นเปรตเปรตเพราะว่าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากมีอะไรมากๆตายไปก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นผีหรืออสูรละก่ายกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนกลัวว่าเราจะสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็เลยไปทําร้ายบุคคลหรือสิ่งที่จะม า, าทําร้ายสิ่งของของเราในทำบาดด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นผีเป็นอสุรกายแล้วถ้าทำบาลด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นโกรธเกลียดก็จะไปนรกนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่วันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรา มาปิดประตูอบายกันอย่าไปอบายกันด้วยการไม่ทำบาปรักษาศีลหข้อถ้ารักษาศีลหข้อได้ตายไปจะไม่ไปอบายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายาเมาไม่พูดปดด ถ้ารักษาศีลห้าข้อนี้ได้ตลอดชีวิตตายไปจะไม่ไปเกิดในอาบายอย่างแน่นอนเพราะเหตุที่ทําให้ไปเกิดมันไม่มีนั่นเองเหมือนถ้าเราไม่ได้ปลูกข้าวเราจะมีข้าวกินไหมไม่มีข้าวถ้าเราปลูกอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องได้สิ่งที่เราปลูกการกระทําของเรานี้มันก็เป็นเหตุที่จะทําให้เราได้ ภบชาติในอนาคตดังนั้นในวันพระนี้พระพุทธจเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาเข้าวัดกันเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรอีกนอกจากหน้าที่ในการเลี้ยงดูร่างกายแล้วเรายังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูจิตใจด้วย ต้องรักษาจิตใจไม่ให้ไปทุกข์ลาบากหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วการทำบากนี้จะทำให้ใจของเราไปทุกข์ยากลาบากเป็นเดรัจฉานกับเป็นมนุษย์นี่อย่างไหนจะดีกว่ากันมนุษย์นี่มันสบายกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าอยากจะไม่อยากจะมา อยากจะเป็นมนุษย์ไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นผีไม่ไปตกนรกก็ต้องรักษาสีลห้าให้ได้ถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายนี่คือ สิ่งที่พทธเจ้าทรงสอนให้พระ พ, พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันวันศีลวันพระนี่ให้มารักษาศีลศีลห้าให้รักษาทุกวันแต่วันนี้เป็นวันที่เรามาเรียนรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในการที่จะดูแลรักษาใจซึ่งเป็นตัวเราของเราเนี่ให้ อยู่เย็นเป็นสุขไม่ตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนด้วยการไม่ให้ทำบาปแล้วถ้าเราอยากจะมีสมบัติติดตัวไปเราก็ต้องทำบุญบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันบุญนี้จะทำให้เราได้สมบัติหลายชนิดเรามีได้มนุษย์สยสมบัต ได้เทวสมบัติได้พรหมสมบัติได้อวิยะสมบัติมีสมบัติหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะหาได้ด้วยการทำบุญถ้าเราทำบุญทําทานและเราไม่ทำบาสรักษาศีลห้าได้เราก็จะได้เทวสมบัติได้ไปเป็นเทวดามีสมบัติของเทวดา พอตายไปก็ไปซื้อบ้านของเทวดาอยู่ได้ซื้ออาหารของเทวดากินได้ซื้อเครื่องนุ่งห่มของเทวดากินได้เรียกว่าเทวสมบัติสมบัติที่เราเอาติดตัวไปได้แต่สมบัติของมนุษย์ที่เรามีอยู่กันในตอนนี้คือเงินทองข้าวของต่างๆบ้านช่องปัจจัยสี่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจไม่สามารถเอาสมบัติของมนุษย์ไปได้ไม่สามารถเอาบ้านไปได้ไม่สามารถเอาเสื้อผ้าไปได้ไม่สามารถเอาที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคไปได้เพราะว่าไม่มีร่างกายแล้วใช้ไม่ได้แล้วสมบัติของร่างกายนี้มีไว้สำหรับเวลามีร่างกายเท่านั้นงั้นถ้าเวลาตายไปแล้ว ถ้าไม่ได้ทำบุญเลยแล้วไปทำบาปเนี่ยก็จะไปได้สมบัติของเดรัจฉานสมบัติของเปรตสมบัติของผีสมบัติของนรกถ้าเรารักษาศีลได้เราทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอมีข้าวของเงินทองแทนที่จะไปซื้อของตามความอยากเราเอามาทำบุญกัน เอามาซื้อเทวสมบัติกันเวลาเราทำบุญเราจะมีความสุขใจมีความสุขระดับเทพระดับสวรรค์ชั้นเทพว่าใจของเรานีไปขึ้นไปสวรรค์แล้วทั้งทั้ง ท, งที่ยังมีร่างกายอยู่เวลาเราทำบุญในใจเรามีความสุขสุขชั้นเทพถ้าเราทำบุญด้วยการให้ทาน ถ้าเราทำบุญด้วยการทำใจให้สงบเราก็จะได้บุญชั้นเราก็จะได้ความสุขชั้นพรมแล้วถ้าเราทำบุญระดับปัญญาตัดกิเลสตัดความโลภโกรธหลงได้เราก็จะได้ความสุขือได้สมบัติของพระอริยเจ้าถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ความทุกข์ของเปรตของเดรัจฉาน ของอสูรกายของนรกนี่คือสมบัติต่างๆที่เราจะเอาติดตัวไปปัจจุบันเวลาเราทำบาปนี้ใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีจะเป็นจะเป็นเดรัจฉานขึ้นมาทันทีเป็นเปรตขึ้นมาทันทีเป็นผีขึ้นมาทันทีเป็นสัตว์นรกขึ้นมาทันที โดยที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี้เปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้แล้วตั้งแต่ยังร่างกายยังไม่ตายพอเรารักษาศีลได้เราทำบุญใจของเราก็จะเป็นเทพขึ้นมาได้เทวสมบัติขึ้นมาได้ความสุขระดับเทพขึ้นมาร่างกายก็ใช้สมบัติของมนุษย์ ใจก็เสพสมบัติของเทพเวลานอนหลับเนี่ยใจก็จะฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปอยู่ที่นี่ได้ไปพบกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทำให้มีความสุขเรียกว่าฝันดีฝันระดับเทพเพราะได้ทำบุญเอาไว้และได้รักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้ แบ่งปันเงินทองที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็จะมีเทวสมบัติติดตัวเราไปเราก็ได้เป็นเทพแล้วถ้าเรามาถือสิงแปดมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะได้พรหมสมบัติเราก็จะได้เป็นพรหม ที่มีความสุขเหนือกว่าความสุขของสวรรค์ชั้นเทพเป็นความสุขที่ลึกกว่าหนักกว่าใหญ่กว่าดีกว่ากว่าความสุขชั้นเทพ ค, ความสุขชั้นเทพนี่ดีกว่าความสุขชั้นมนุษย์นี่ความสุขของสมบัติต่างๆนี้มีความต่างกันมี มีเทวสมบัติก็ซื้อความสุขของเทวดาถ้ามีพรหมสมบัติก็ซื้อความสุขของพรหมแล้วถ้าเราเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอามาปฏิบัติที่สอนให้เรากำจัดความโลภโกรธหลงกำจัดความอยากต่างๆเพราะมัน ทำให้เราทุกข์ทาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราสามารถทาลายความโรคความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นอริยเจ้าอันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็มีอยู่สี่ชั้น โสดาบันสกิดาคามีอานาคามีแล้วก็อรหันต์ถ้าได้โสดาบันก็จะเหลือภพชาติไม่เกินเจดชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมากกว่าเจดชาติถ้าได้สกิดาคามีก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมาก ถ้าได้อนาคามีก็จะไปเกิดที่สวรรค์พรห ม, มโลกแล้วไม่ไม่เสื่อมลงมาไม่เสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกไม่เสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้ได้พระอาหารหันต์ก็จะไปเข้าไปในพระนิพพานที่ไม่ต้องมีการเสื่อมลงมาเป็นพรหมหรือเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะอยู่ในนิพพานไปตลอดนิพพานนี้เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดที่มีความสุขที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับของที่เราสามารถซื้อด้วยเงินทองได้ของที่แพงที่สุดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องจะเป็นรถลาเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหง่มเป็นอะไรก็ตามถ้าเรามีเงินมากเราก็สามารถซื้อของราคาแพงๆได้เช่นเดียวกับถ้าเรามีอริยทรัพย์เราก็จะสามารถซื้อความสุขที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดได้ก็คือพระนิพพานนี่คือเรื่องของวันพระ วันที่เราจะมามาสร้างทรัพย์ภายในกันเริ่มต้นจากาเทวทรัพย์เริ่มต้นจากมนุษยทรัพย์ถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ตายไปแล้วไม่ต้องไปเกิดในอบายาก็รักษาศีลห้าให้ดีถ้าเราตายไปแล้วอยากจะไปเป็นเทวดาก็สร้างเทวทรัพย์ขึ้นมา รักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานให้มากทํามากเท่าไหร่ก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปมากขึ้นไปทานั้นแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องสร้างพรหมสมบัติพรหมสมบัติก็คือการรักษาศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบ ใจสงบแล้วก็จะได้พรหมสมบัติได้ไปเกิดในพรหมโลกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วถ้าอยากจะไปสู่อริยโลกของพราะอาริยะเราก็ต้องเจริญปัญญา ต้องเห็นว่าทุกเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆต้อเห็นว่าการจิตการที่จิตต้องมาเสื่อมมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทเพเป็นพรหมก็เพราะกิเลสตัณหานี้เป็นผู้ที่ดึงใจให้ต่ําลงมาจากสวรรค์ชั้นอริยก็ลงมาสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นเทเพชั้นมนุษย์ แล้วถ้าทำบาปก็ลงไปต่ำกว่ามนุษย์ไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปเป็นผีไปเป็นนรกไปตกนรกนรกนี่เป็นที่ต่ำสุดที่มีความทุกข์มากที่สุดลองลงมาก็พวกเปรตพวกอสุ ร, รกายพวกเดรัจฉานแล้วลองลงมาก็พวกมนุษย์ มนุษย์นี้จะมีทุกข์น้อยกว่าเดาชะนั่นแล้วก็ลองลงมาก็เทวดาเทวดาก็มีทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ลองลงมาก็พรหมพรหมก็จะมีทุกข์น้อยกว่าเทวดาแล้วพรหมก็ลองลงมาก็พระอริยบุคคลขั้นหลังจะมีทุกข์น้อยกว่าเพราะจะมีการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปนั่นเอง พระสโสดาบันก็จะเวียนไหว้าตายเกิดไม่เกินเจรขั้นถ้าเป็นพรหมนี้ยังเวียนไ่ว้าตายเกิดนับไม่ถ้วนอยู่ยังไม่มีวันหมดเพราะพรหมนี้ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าต้นเหตุของการมาเวียนไหว้าตายเกิดเกิดจากกิเลสตัณหานี้เองแต่พระสโสดาบันนี้ท่านรู้เหตุของการมาเวียนไหว้าตายเกิดแล้วคือ กิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆแล้วท่านก็สามารถกาจัดไปได้บางส่วนจึงทาพบชาติของท่านเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากโลภความอยากให้น้อยลงไปเพิ่มมากขึ้นไปก็เลยทำให้พบชาติหรือเพียงพบเดียวแล้วพอได้เป็นพระอนานตามีก็สามารถทำลายความโลภความอยากที่จะมาทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเทพได้จะไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะไปทำลายความอยากให้หมดไปจนได้เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้ได้ทำลายกิเลสตัณหาหมดไปจากใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆหลงเหนืออยู่ภายในใจถ้าไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีกิเลสตัณหา ใจก็จะไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไปใจก็อยู่ที่นิพพานสวรรค์ชั้นสูงสุดที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยสวรรค์ชั้นอื่นๆยังมีความทุกข์ทุกเพราะตอนที่มันเสื่อมเวลาเสื่อมจากพรมลงมานี่มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาเสื่อมจากเทเลงมาก็ทุกข์ เวลาเสื่อมจากเป็นมนุษย์ก็ทุกข์มันจะทุกข์เพราะความเสื่อมเวลาคนตายนี่ร้องห่มร้องไห้กันนนัทุกข์กันเพราะต้องเสื่อมจากการเป็นมนุษย์เทวดาเขาไม่ร้องไห้แต่เขาก็ทุกข์เพราะเขาต้องมาอยู่อยู่ในร่างของมนุษย์ที่หยาบกว่าร่างของเทวดาร่างของเทวดานี่ละเอียดกว่าสบายกว่า สูงกว่าร่างของมนุษย์ร่างของผมก็สูงกว่าละเอียดกว่าร่างของเทวดานี่คือเรื่องของสมบัติภายในที่เราที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรามาสร้างกันเพราะถ้าเราไม่สร้างถ้าเราไม่รักษาศีลเลยเราจะไม่มีเทวสมบัติเราจะไม่มีพรหมสมบัติ ถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ทำบุญเลยไม่ทำบุญทำทานไม่นั่งสมาธิไม่เจริญปัญญาเหมือนคนที่ไม่เข้าวัดตอนนี้คนพวกที่ไม่เข้าวัดเลยเนี่ยเป็นพวกที่ไม่มาไม่มาสร้างทรัพย์ภายในกันเวลาตายไปก็ได้ทรัพย์ที่ไม่ดีได้ทรัพย์ของเดรัจฉานได้ทรัพย์ของเปรตได้ทรัพย์ของผีได้ทรัพย์ของ นรกถ้ามัวแต่หาเงินหาทองแล้วก็ทำบาปแบบไม่สนใจไม่กลัวบาปไม่มีเหวีโอดตปะปาเพราะคิดว่าตายไปแล้วไม่มีผู้ไปรับผลบาปนั่นเองเพราะวาเห็นมีร่างกายเห็นร่างกายเป็นผู้กระทำบาปแล้วเมื่อร่างกายตายไปก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไป แล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีผู้ไปรับผลบุญผลบาปน้องจะมาทำบุญให้เสียเวลาทําไมเสียเงินเสียทองทําไมสู้ไปทําบาปหาเงินหาทองหาความสุขทางร่างกายไม่ดีกว่าไปประพฤติผิดประเวณีไปดืม่าามซื้อยาเมาอันนี้เพราะเขาไม่เห็นว่ามีผู้ไปรับผลบุญผล บ, ผลบาป ผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายแต่เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆถ้าร่างกายนี้ไม่มีใจร่างกายนี้จะไม่สามารถทําอะไรได้เช่นคนที่ตายไปแล้วไม่มีใจแล้วไม่มีใจเป็นผู้สั่งให้ทําอะไรได้แล้วก็นอนเฉยๆทําอะไรไม่ได้ ใจนี่แหละเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญทำบาปผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปจึงเป็นใจถ้าทำบุญก็ไปรับสมบัติของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าถ้าทำบาปก็ไปรับสมบัติของเปรตของเดรัจฉานของผีของนรก นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปทรงเห็นเพราะท่านมีมียานหือมีตาทิพย์มีจักขุวิญญาณมีตาทิพย์มีธรรมจักขุไม่จักขุวิญญาณมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันคือไม่เห็นท่านเห็นโลกทิพย์พวกเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่โลกกระท่า โลกกระท่าก็คือโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่โลกที่มีดินน้ำลมไฟนี้ที่เราอาศัยกันอยู่นี้เรียกว่าโลกกระทา่าส่วนโลกกระทิปนี้เรามองไม่เห็นกันเพราะตาในของเราถูกอวิชชาความมืดบอดเปิดเอาไว้จึงมองไม่เห็นไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ชำระกำจัดอวิชชาความมืดบอดออกจากใจจึงทาให ใจเกิดตาทิพขึ้นมาบอดสามารถมองเห็นโลกทิพโลกของเทวด า, โ ล, พ า, พาโลกของพระพุทธเจ้าโลกของพรหมโลกของเดโลกของเปรตโลกของผีโลกของนรกต้องมีตาในถึงจะมองเห็นตาในพวกเรามีกันทุกคนแต่มันบอดตอนนี้ถูกความมืดบอดคืออวิชชาโมหะความหนุนครอบงามอยู่ จึงทำให้เรามองไม่เห็นโลกทิพย์กันเราจึงต้องอาศัยคนตาดีเชื่อคนตาดีสอนเราสอนให้เรามาทําบุญกันมาเปิดตาในกันถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปเราก็จะเปิดตาในของเราเราจะชำระอวิชชาโมหะความหลงความมืดบอดที่ครอบงมใจของเราที่ปิดตาในของเรา แล้วเราก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเห็นกันเห็นโลกทิพย์ชั้นต่างๆเห็นโลกทิพย์ชั้นอริยเจา้าเห็นโลกทิพย์ชั้นพรหมเห็นโลกทิพย์ชั้นเทพเห็นโลกทิพย์ของมนุษย์เห็นโลกทิพย์ชั้นเปรตชั้นผีชั้นนรกเลยนี่เป็นโลกทิพย์ทั้งนั้นมีโลกกะทาดอยู่สองพวกก็คือมนุษย์กับเดชะชาน ตอนนั้นจิตมาอยู่กับโลกกระถาบเวลาเป็นมนุษย์หรืเป็นเปเป็นเป็นเดรัจฉานแต่เวลาไม่มีร่างกายของมนุษย์ไม่มีร่างกายของเดรัจฉานก็ไปอยู่ในโลกทิพย์ตามบุญตามบาปที่ได้สร้างเอาไว้ถ้ามีเทวสมบัติก็ไปอยู่โลกทิพย์ชั้นเทกถ้ามีพรห ม, มสมบัติก็ไปอยู่โลกทิพย์ชั้นพรหม ถ้ามีอริยสมบัติก็ไปอยู่โลกทิพชันพระอริยะเจ้าถ้ามสีสมบัติของเปรตคุณสมบัติของเปรตก็ไปเป็นเปรตไปอยู่กับเปรตถ้ามีคุณสมบัติของผีก็ไปอยู่กับผีถ้ามีคุณสมบัติของนรกก็ไปตกนรกนี่คือสิ่งที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ปฏิบัติ ถ้าเราไม่ได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะเห็นได้นี้จะต้องปฏิบัติทำขั้นสมาธิขึ้นไปมีสมาธิแล้วก็จะเห็นโลกทิพย์จิตจะเห็นจะเห็นดวงจิตดวงใจว่าเป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ไม่ได้เป็นร่างกายหยาบคือร่างร่างกายของมนุษย์นี้เมื่อเห็นว่ามีโลกทิพย์มีสวรรค์ชั้นต่างๆมีที่ไปชั้นต่างๆ มีที่ดีและที่ไม่ดีและเหตุที่ทำให้ไปไม่ดีก็มีเหตุที่ไปดีก็รู้ว่าเป็นอะไรก็จะมาสร้างเหตุที่ดีเพื่อที่จะได้ไปสู่โลกทิพย์ที่ดีต่อไปโลกทิพย์ที่ดีที่สุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานก็ต้องมีสมาธิมีปัญญามีศีลแปดขึ้นไป ถึงจะไปพระนิพพานได้ถ้ามีแค่ศีลห้าแล้วก็มีการทําบุญทําทาน mm. ก็ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพนะถ้ามีศีลแปมีสมาธิก็ไปสวรรค์ชั้นพรมนะถ้ามีมีปัญญามีสมาธิมีศีลแปก็ไปนิพพานได้ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆได้ นี่คือสิ่งที่ใจของเราจะเป็นกันอยู่ที่การกระทาของเราเป็นเปรตก็ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ได้ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้อยู่ที่การกระทาทเหมือนกับรถยนต์เนี่ยเราจะขับมันไปที่ไหนก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ได้ไปภูเก็ตก็ได้ขึ้นเหนือล่องใต้อยู่ที่เราจะขับมันไปทิศทางไหน มันก็จะพาเราไปทิศทางนั้นถ้าเราทำบาปมันก็จะพามันก็จะพาจิตเราไปสู่อบายถ้าเราไม่ทำบาปเราทำบุญมันก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์พระอริยเจ้านี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะต้องไป รับผลที่เราได้ทำกันไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่นี้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากไปรับผลไม่ดีเราก็อยากไปทำเหตุที่พาให้เราไปที่ไม่ดีเหตุที่จะทำให้เราไปในที่ไม่ดีก็คือการทำบาปคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ การกระทำเหล่านี้จะดึงให้ใจเราไปอบายถ้าไม่ทําใจก็ไม่ไปอบายถ้าจะไปสวรรค์ก็ต้องทําบุญถ้าไม่ได้ทําบุญเพียงแต่ไม่ทําบาปก็เป็นมนุษย์เหมือนเดิมไปสูงกว่านี้ไม่ได้ตายไปก็กลับมาเป็นแค่มนุษย์ถ้าอยากจะไปสูงกว่ามนุษย์อยากจะไปเป็นเทพก็ต้องทําบุญแล้วก็ไม่ทําบาปแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าชั้นมนุษย์ ช, ชั้นเทพก็ต้องรักษาศีลเพิ่มขึ้นจากศีลห้าก็เป็นศีล8ศีลสิศีล2องหรือศีล300กว่าเนี่ยต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบให้นิ่งแล้วใจก็จะเป็นพรมขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะได้ไปสู่สวรรค์ที่ไม่เสื่อมก็ต้องเพิ่มปัญญาปัญญาก็จะทําให้ ได้ไปอยู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าที่ไม่มีวันเสื่อมสวรรค์ชั้นพรหมนี่ยังเสื่อมลงมาเป็นเทพเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นเทพก็เสื่อมลงมาเป็นมนุษย์นวิธีที่จะรักษาใจไม่ให้เสื่อมลงมาก็ต้องทำลายเหตุที่ทำให้ใจเสื่อมเหตุที่จะทำให้ใจเสื่อมก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทุกครั้งที่เราทาตามความอยากนี่ เรากำลังดึงใจให้ตกต่าดึงใจให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานขึ้นอยู่กับการกระทาของเราตามความอยากถ้าเราทำตามความอยากด้วยการรักษาศีลไม่ทำบาปเราก็จะเป็นมนุษย์ถ้าเราทำตามความอยากด้วยการไม่รักษาศีลเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือ เรื่องของใจของพวกเราที่พวกเรามองไม่เห็นกันไม่รู้จักน่ารู้จักตาไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดว่าเราเป็นเพียงร่างกายเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลของการทําบุญหรือทําบาปเมื่อไม่มีผู้ไปรับผลไปทําบุญให้เหนื่อยทําไมเพราะทําบุญมันยากมันไม่ง่ายเหมือนการทําบา การทำบาปมันง่ายมันทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ง่ายกว่าการทำบุญการทำบุญมีแต่ทำให้เราเสียทำบุญก็ต้องเสียเงินเงินที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆเราก็มาทำบุญเราก็จะเสียเงินจะได้ไมไ่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้มีความสุขจากการไปเที่ยวจากการไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆที่เราอยากได้ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเห็นว่าตายไปแล้ว เราไม่ได้ไปรับผลบุญเราไปทำบุญทำไมสู้ทำบุญตอนนี้ไม่ดีกว่าไปเที่ยวตอนนี้ก็เหมือนก็ได้ผลบุญทันทีไปเที่ยวก็ได้รับความสุขทันทีไปทำบุญแล้วตายไปไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าใครไปรับเห็นแต่ร่างกายร่างกายมันก็ไปไม่ได้ร่างกายตายไปแล้วมันก็ไปวัดไปเมนไปเป็นขี้เท่าขี้ฐานเมืน่อะคนเห็นว่าไม่มีผู้ไปรับบุญแล้ว จะไปทำบุญให้เหนื่อยทำไมเนื่อเห็นว่าไม่มีผู้ไปรับบาปก็ทำบาปได้อย่างสบายจะรับก็ตอนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเองถ้าไปฆ่าเขาตำรวจจับได้ก็อาจจะจับไปติดคุกติดตารางหรือจับไปประหารชีวิตก็มีเท่านั้นผลบาปที่จะเกิดก็เกิดตอนที่มีร่างกายอยู่พอไม่มีร่างกายแล้วใครจะไปรับผลบาปใครจะไปรับผลบุญเมื่อเห็นว่ามีชีวิตดำมีเพียงร่างกาย มันก็ไม่ต้องทําบุญให้เหนื่อยยากให้เสียเงินเสียทองมานั่งสมาธิให้เมื่อยไปเปล่าๆนั่งแล้วก็อึดอัดลาคาญใจซู้ไปนั่งดูทีวีนั่งกินเหล้าไม่ดีกว่าสนุกกว่าสบายกว่านี่คือลักษณะของคนที่เห็นเพียงร่างกายแต่ไม่เห็นใจไม่รู้ว่ามีใจเหมือนคนที่เห็นต้นไม้แต่ไม่เห็นรากของต้นไม้ ก็คิดว่าฝันต้นไม้ทิ้งแล้วต้นไม้ก็อย่าตายอันมันทิ้งแล้วมันไม่ตายเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาใหม่เพราะมันยังมีรากอยู่เวลาร่างกายตายไปชีวิตเรายังไม่ได้จบต้นบกับร่างกายชีวิตของเราไปต่อไปด้วยใจใจนี่แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปที่จะไปนรกหรือไปสวรรค์หรือไปนิพพานคือใจผู้ที่จะไป เราตอนนี้เรายังไม่สามารถมองเห็นด้วยตัวของเราเองเราก็เลยต้องอาศัยต้องเชื่อคนที่เขาเห็นแล้วคนที่เห็นแล้วก็คือพระพุทธเจา้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนี่เองเราจึงมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนเพื่อที่จะได้พาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีต่อไปเพราะเรายังไม่ เห็นด้วยตัวเราเองเราก็เลยต้องเชื่อคนที่เขาเห็นแล้วเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นทางก็ต้องอาศัยคนตาดีนำทางไปอยากจะไปไหนก็ต้องอาศัยคนที่ตาดีพาไปทันใดพวกเราก็อยากจะไปดีกันไม่อยากจะไปไม่ดีกันเราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าตายไปแล้วเราไม่ได้ศูนย์เราไม่ได้จบเรายังไปต่อ ไปดีหรือไปไม่ดีก็อยู่ที่การกระทำของเราการกระทำที่ดีกับการกระทำที่ไม่ดีเราก็ไม่รู้ต้องให้พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนต้องให้พระอริยสงสาวกมาสั่งมาสอนพอเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรถ้าเราอยากจะไปดีก็คือไม่ทำบาปรักษาศีลทำบุญทำทาน นั่งสมาธิทาใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ตัดภพตัดชาติตัดต้นเหตุของภพของชาติคกิกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะได้ไปถึงที่ดีที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็คือพระนิพพานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหาันตัสสาวกทั้งหลายได้ไปถึงแล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางอ น, นั้น ถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราไม่ทําตามเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ตายแล้วก็ไม่รู้ไปไหนละไปบนหรือไปล่างก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทําไว้แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่แล้วก็ไปสูงไปต่ำใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกาจะมาเจอพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเราไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป การที่เรามาวัดนี่ก็เพื่อมาฟังธรรมละเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ถาวรไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทำบาปทำบุญอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ อนาคตของพวกเราว่าเราจะไปทิศทางใดและใครจะเป็นผู้กําหนดอนาคตของเราผู้ที่จะกาหนดอนาคตของเราก็คือการกระทาของเรานี้เองทำดีก็จะไปดีทำชั่วก็จะไปชั่วนี่คือเหตุที่จะพาให้เราไปดีหรือไม่ดีอนาคตของเราจะดีหรือไม่ดีก็ อ, อยู่ที่การกระทาของเราในปัจจุบันนี้เอง ถ้าทำดีอนาคตก็จะดีทำไม่ดีอนาคตก็จะไม่ดีทำบาปอนาคตก็จะไม่ดีทำบุญอนาคตก็จะดีดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครและผู้ที่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ได้ดิบได้ดีกันทุกคนก็คือพระอริยะสงสาวก ได้เป็นโสดาบันได้เป็นสกิดาคามีได้เป็นอนาคามีได้เป็นพระอาหารหันต์กันผู้ที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเป็นเปรตเป็นเนรชานไปเป็นผีไปตกนรกกันหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันไปอยู่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้นะหรือส่งข้อความเข้ามาทางเฟซ b ุ o กก็ได้ก็ไปในหน้าเฟซบุ o กแล้วก็พิมพ์ส่งเข้ามาก็ได้ถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามวันนี้ก็เขียนข้อความส่งเข้ามาได้ Youtube ก็ได้เฟซบุ o กก็ได้ เป็นดูกระพาะจาสุชาติพิชาโตเป็นดูกระพาสุชาติลายภาษาอังกฤษอยากจะถามอะไรรึเปล่ามาฟังเทศต้องน้นไม่เคยถามอะไรเลยก็ถามไปหมดแล้วไงถามหมดแล้วบรรลุแล้วหายสงสัยหมดแล้วไม่มีเือถามหมดแล้วไม่มีคำถามแล้วเชิญเข้ามา ก็มางอหส่ใกล้ๆกจะได้เสียงล้วจะได้เอาตรงนี้กันเลยค่ะข้อแรกนะคะคือถ้าเราถ้าเราผิดศีลถ้าเราเคยผิดศีลและกำลังก็มีบางครั้งที่ผิดโดยไม่ได้เจตนาอยู่บ้างปัจจุบันนี้อย่างเช่นตกอยู่ในพวกเนี้ยนะคะการเราทำบุญก็คือเหมือนเหมือนละลายเกลือในน้ำไม่หรอกมันคนละบัญชีกัน Yeah, การเงินกู้กับเงินฝากเนี่ยมันคนละบัญชีกันเราไม่สามารถเจือจางเกลือให้มันเพลียแต่เราทรามัน ม, มันจะมันจะเป็นตัวที่มามาแข่งกันดูว่าใครจะออกผลก่อนกันใช่เวลาเราตายบุญกับบาป ท, ที่เราทํานี่มันจะมาเป็นตัวแย่งใจเราไปถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดึงเราไปรับผลบาปก่อน ถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปรับผลบุญก่อนแต่บาปก็ไม่หายนะมันพอเราไปรับผลบุญแล้วบุญกับบาปเท่ากันเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแล้วพอเราตายไปเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาจะตายบุญถ้าบาปมีมากกว่ามันก็จะดึงเราไปรับผลบาปต่อไปมันก็จะดึงไปดึงมาอย่างนี้เหมือนเกวีนที่มี ม, มีมีวัวอยู่2ตัว ตัวหนึ่งดึงไปข้างหน้าตัวหนึ่งนึงไปข้างหลังตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางของมันดั้นเราพยายามทําบุญให้มากมากกว่าบาปไปเรื่อยๆก็บาปก็ยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงผลแต่ถ้าเราตายไปยังไงแล้วก็ต้องใช้บาปอยู่ดีใช่ไหมถึงแม้ว่าบุญจะมากกว่าก็ตามก็ใช้ตอนที่มันถึงเวลาที่มันจะเกิดเนี่ยแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดมันก็ยังไม่ใช้ ถ้าบุญมันมีอยู่เรื่อยๆมันก็จะยังไม่มีบุญทำให้บาปยังไม่มีโอกาสที่จะส่งผลมันยังเดินเราไปเกิดเป็นเดระชานไม่ได้ไปเป็นเปรตไปได้แต่ถ้าวันไหนบุญเราน้อยกว่าบาปมันก็จะเดินเราไปไปเกิดในอบายทันทีเวลาที่เราตายไปมีข้อ น, นะคะที่ทีอาจารย์บอกว่าเรื่องการถือสินแตกคือถ้าเราถือสินแ ในชีวิตประจำวันคือถ้าเราก็ปะผู้คนน้อนอยู่แล้วแล้วเราก็พยายามถือศีลแปดแต่แต่ถ้าเราไม่ได้สวดมนต์นะไม่ได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมันก็ยังไม่ได้แต่มันก็ดีกว่ายังไม่ไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมอย่างน้อยมันก็ปิดประตูของกิเลสตัณหาไม่ให้มันออกมาทำงาน ดั้นเราถือศีลเราก็จะไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้มันก็ความอยากเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะแสดงตัวได้แต่มันไม่ตายมันมันก็ยังดิ้นอยู่มันก็จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ความรู้สึกอึดอัดมันจะหายไปแต่มันก็หายเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิ พ อ, อจากสมาธิมาพอกิเลส ต, ตานหาเริ่มทำงานมันก็ทำให้เรารู้สึกปิดอัดขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้มันไม่มารบกวนใจพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความอึดอัดนี้เกิดจากความอยากของกิเลสของเราถ้าเราไม่อยากจะอึดอัดใจเราก็อย่าไปทำตามความอยากหยุดความอยากเสีย ถ้าเราฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาสร้างความอึดอัดใจให้กับเราเวลาที่มันโผล่เราก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่พอมันโผล่ขึ้นมาก็ไปนั่งสมาธิใหม่หยุดมันหยุดมันแต่อย่าไปทำตามที่มันอยากให้เราทำแล้วต่อไปมันก็จะหายอยากเช่นอยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินนั่งสมาธิไปเรื่อย ทุกังอยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่กินต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเพราะเราไม่ไปทําตามความอยากแต่ต้องเห็นโทษด้วยว่าการทําการกินข้าวเย็นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขคือต้องเห็นด้วยปัญญาว่าการกินข้าวเย็นที่ไม่ใช่สุขมันทุกข์เพราะทําให้ติดเวลาไม่ได้กินมันจะทุกข์ต้องเห็นตัวนี้ถ้าเห็นตัวนี้แล้วมันก็จะไม่กล้ากินไม่อยากจะกินเพราะมไม่อยากจะทุกข์ พอถ้ามันไม่ติดข้าวเย็นแล้วมันก็สบายถ้ามันติดมันก็ต้องกินอยู่เรื่อยถ้าอยากจะหยุดข้าวเย็นหยุดกินข้าวเย็นก็ต้องเห็นว่าการกินข้าวเย็นมันทุกข์ไม่ใช่สุขส่วนบาปที่เราทำไว้แล้วเรากลัวว่ามันจะส่งผลก็ทำบุญเยอะๆเพราะการทำบุญนี่เหมือนกับเป็นการสร้างเบาะเบาะที่รองรับเวลาที่เราตกมาจากที่สูง ถ้าเรามีเบาะรองรับอยู่วเวลาตกลงมามันจะไม่เจ็บถ้าเราเคยทำบาปมามากแล้วเราอยากจะ อ, อยากจะค่าว่าไม่เดือดร้อนกับวิบากเวลามันเกิดขึ้นก็ให้ทำบุญเยอะๆบุญที่จะทำให้เราไม่วิตกก็ต้องเป็นบุญของพระอริยะเจ้าแล้วเวลาเกิดวิบากกรรมใจจะไม่เดือดร้อนอย่างพระโมคคลานี่วิบา ก, กรรมจะต้องถูกเก้าวฆ่าตาย ท่านใจของท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านเป็นพระอรหันต์มีบุญที่จะใครก็รับรับความกระแทกรับความกระแทกของผลบาปที่เกิดขึ้นทำให้ใจไม่ไม่เจ็บไม่ปวดปวดก็ปวดที่ร่างกายซึ่งเป็นปกติไม่ว่าจะทำบุญหรือไม่ทำบุญร่างกายเวลามันเจ็บมันก็ต้องเจ็บ แต่ส่วนความเจ็บของร่างกายนี้มันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเจ็บทางใจความเจ็บทางใจนี้เราสามารถที่กำจัดได้หมดด้วยการทำบุญสูงสุดก็คือบุญของพระอาลัยระหันต์ถ้าได้เป็นพระอรหันต์แล้วใจจะไม่เจ็บเลยกับความเจ็บของร่างกายวิบากอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นที่ร่างกายเท่านั้นแล้วมันก็จะไม่สามารถมาทำสร้างความสะเทือนสร้างความทุกข์ ให้กับใจได้เนั้นถ้ากลัวว่าจะต้องไปรับวิบากที่ทำไว้ก็พยายามปฏิบัติให้ถังได้ทำสูงสูงขึ้นไปยิ่งสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกำลังที่จะรับกับความรับกับวิบากกรรมต่างๆได้ก็คือการเน้นไปที่การภาวนาใช่ไหมนั่งสมาธิถ้าทำบุญมันก็จะ มามามาผัดการเกิดของบาปคือเวลาตายไปก็มันยังดึงเราดึงเราไปสวรรค์ก่อนนี้แล้วก็มันก็ช่วยได้ทําบุญรักษาศีลเวลาพบกับวิบากใจก็จะไม่วุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีลฉันพยายามทําบุญรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะสร้างเกาะคุ้มกันใจเราต่อไปเวลาเกิดวิบากต่างๆ ใจของเราก็จะไม่สะทกสะทานไม่เดือดร้นอนทางบ้านมีใครอยากจะถามส่งเข้ามาได้เลยจะเป็นหาวอาจารย์ครับนอนอย่างไรให้มีสติครับก็ฝึกสติตอนก่อนนอน่ย ถ้าไม่มีสติแล้วมันก็จะมันก็จะติดไปกับเวลานอนนอนรู้เนื้อรู้ตัวนี่แปลว่ามันจะเหมือนกับนอนไม่หลับไมครับไม่เชิงหรอกมันจะคล้ายๆว่ามันจะรู้รู้รู้ตัวทันทีเวลาที่ร่างกายมันตื่นขึ้นมาเวลาที่มันรับสัมผัสรับรู้อะไรนี่มันจะรู้เร็วกว่าคนที่ไม่มีสติแต่เวลาหลับนี้สติก็หยุดทํางานเงี้ยมันจะหลับไม่ได้ก็หยุดเหมือนกันหยุดเหมือนกัน แต่ว่าพอมีอะไรมากระทบกับจิตนี้สติมันจะรับรู้ทันทีมันจะตื่นขึ้นมาทันทีมันเป็นอัตโนมัติอยู่ที่การฝึกสติของเราแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าท่านไม่ได้นอนเลยสามปีสี่ปีเจ็ดปีอย่างนี้ฮะฝึกสติตลอดนี่มันเป็นยังไงครับ เราก็ไม่รู้นะว่าไม่นอนได้ยังไงเจปีนอกจากไม่มันอาจจะถือสามท่าถ้าจะหลับก็หลับในท่าท่าทั้งสามจะไม่จะไม่หลับในท่านอนถือสามวิริยาบทถ้าจะหลับก็อาจจะนั่งนั่งอย่างนี้ก็หลับไปก็เป็นไปได้ถ้าจิตใจที่มีความอดทนมีความเข้มแข็งก็จะหลับในสามท่านี้ไม่หลับในท่านอน ก็จะได้ไม่นอนมากเกินไปไม่หลับมากเกินไปเพราะเห็นเวลามีคุณค่าอยากจะ เ, เวลามาภาวนามากกว่าเอาเวลามาหลับมานอนอาจจะนอนแค่หนึ่งสองชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปแต่ถ้าบอกว่าไม่หลับเลยสามปีเปีนี่มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะร่างกายมันก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนเป็นปกติ พอใจน ะ, จะมีใครอยากจะถามไมไม่มีเดี๋ยวจะให้คำถามทางบ้านเข้ามาอ่ะเข้ามาเลยทำคำถามทางบ้านคำถามจากคุณชัดพิมลงานของลูกต้องติดต่อกับชาวต่างชาติบางครั้งต้องพาลูกค้าไปเช่าวัตถุมงคลพระเครื่องแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินแต่ลูกไม่ ไม่ได้มีส่วนในเงินคอมมิชชั่นนั้นเพราะต้องเอาเข้าบริษัทแต่ลูกก็ยังรู้สึกผิดในใจทุกครั้งที่มีหน้าที่พาลูกค้าไปเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูกทํำบาปมากไหยเจ้าคะของเงินที่เขาให้เป็นผลตอบแทนจากการที่เราพาคนไปซื้อของนี้ถ้าเราไม่ได้ไปเรียกร้องเขาเขาให้เราเองนี่ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นกาตอบแทนแล้วถ้ามันเป็นของบริ เป็นของบริษัทเราไม่เก็บไว้เราก็มอบให้บริษัทไปเราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปพาแขกไปแล้วก็ไปบอกคนที่ขายของว่าขอกี่เปอร์เซ็นต์นะอย่างนี้มันก็จะว่าบาปก็ยังไม่บาปเพราะว่ามันก็มีการตกลงกันไว้ก่อนว่าขอขอรายได้พิเศษ ถ้าเขาให้ก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้รักทรัพย์อาจจะรักเวลาของบริษัทคือเอาเวลาของบริษัทมาทํางานให้กับบริษัทและเวลาได้ผลประโยชน์ก็ไม่ให้บริษัทให้เข้ากระเป๋าเราอย่างนี้ก็เรียกว่ารักทรัพย์ของบริษัทได้คาถามจากคุณพัทรธลพล ลูกขอสอบถามว่าการที่เราทำบุญแล้วขอใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีจะทำให้บุญเราลดลงไหมคะลดเสียเพราะเราขอเงินคืนเนี่ยสมมติเราทำร้อยหนึ่งแล้วเราขอคืนมา10 บ, บาทเราทำจริงๆก็90มันก็ลดนะซิมันก็ไม่ได้ทำเต็มร้อยเพราะรัฐบาลขอช่วยทำา1บบาทขอร่วมทำา1บบาทเป็นเงินของรัฐบาล10 บ, บาทเป็นของเรา90บาท รัฐบาลทำอย่างนี้เพื่อจะเป็นเครื่องจูงใจให้เราได้ทำบุญกันคำถามจากคุณซับนะครับข้อที่หนึ่งขั้นตอนในการพิจารณาอสุภกรรมฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนควรเริ่มต้นจากอะไรคะก็ดูอะไรก็ได้ในร่างกายที่ดูแล้วมันทำให้เราขยะขยัขยงเห็นแล้วมัน ลังเกียดเนี่ยคืออย่าไปมองที่ทําให้เราเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาให้ไปมองในส่วนที่ทําให้เราเกิดความลังเกียดเกิดความไม่อยากจะอยู่กับคนนี้อยู่ใกล้คนนี้เราต้องการดับการาอารมณ์การอารมณ์นี้มันจะทําให้เราอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นอยากจะอยู่ใกล้คนนี้และการมีความอยากก็เห็นว่าคนนั้นคนนี้น่ารักน่าดูน่าชมนี่ ถ้าไม่อยากจะมีการบัลนก็ต้องมองส่วนที่มันไม่น่าดูน่าชมในร่างกายมันมีทั้งสองส่วนส่วนน่าดูก็มีส่วนน่าดูส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายนอกอยู่ที่ผมขนและฟันดูกันแค่นี้ส่วนที่ไม่น่าดูมันมองไม่เห็นมันถูกหนังหุ้มห่อไว้ส่วนที่อยู่ภายในนี้มันไม่มีอะไรน่าดูเลยโครงกระดูกนี่น่าดูไง ปอดน่น่าดูไหมหัวใจน่าดูไหมตับไตไส้พุงนี่ของสกรปรกต่างๆที่ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าอสุภะทั้งนั้นอะ่ะเน้น hmm. ถ้าเราอยากจะดับความรักความไข้ก็ต้องมองของที่ไม่น่าดูของคนที่เรารักเราใข้แล้าเราก็จะไม่ไม่มีความรักความไข้ถ้าคนที่เรารักใไข้เกิดเขาตายไปนี่เรายังยงลักเขาอยู่หรือเปล่า จะเก็บเข้าไว้นอนว่าคืนนี้ขอนอนเลยทุกคืนไม่เอาแล้วบายบายไปเลยใครจะได้อยากจะได้เอาไปเลยพอไม่มีลมหายใจแล้วนี่ใครอยากจะได้เอาไปเลยแต่ถ้ายังมีรมหัวใจอยู่นี่ฆ่ากันตายนะใครเอาไปเลยข้อสองการทำอสุภกรรมฐานเช่นนี้จำเป็นต้องไปหาภาพมาดูให้ติดตาก่อนไหมคะ เพื่อให้รู้ถึงลักษณะของตับไตเลือดเนื้อตำแหน่งและโครงสร้างทางกายวิภาคของร่างกายและกระดูกถ้าเราไม่เห็นเราจะไปรู้ได้ไงเราก็ต้องไปหาภาพมาดูจะดูภาพถ่ายก็ได้ไปดูภาพของจริงก็ได้สมัยก่อนไม่มีภาพถ่ายาพระเลยต้องไปเยี่ยมป่าช้าเพราะสมัยก่อนศพก็ไม่เผากันก็ไปทิ้งไว้ในป่าแล้วให้หมาหม า, มาสัตว์ป่าอะไรมากัดมาแทะมาเล็ม นอนมานอนอะไรมากินอะไรก็ไปดูเนี่ยศพสามวันศพ5้าวันศพเจวันนีในพระสูตรสติปัฏฐานสูตรท่านก็อธิบายให้พิจารณาซากศพสิชนิดตายใหม่ตายหนึ่งวันตายสามวันตายสมวันพองขึ้นมาตายสี่วันอะไรเริ่มแตกเริ่มอะไรโผล่มามีหมามากัดมาแทะมีนอนขึ้นมีอะไรกระดูก กระเด็นใบคนละทิศคนละทางเนี่ยคือไปดูไปดูซากศพไปดูของจริงกันไปเยี่ยมป่าช้ากันเพราะถ้าไ ม, ม่มันไม่มีที่อื่นดูเนี่ยที่อื่นมีแต่ของสวยๆงามๆเท่านัา้นมีแต่คนแต่งหน้าทาปากเท่งนั้นไปไหนมันก็มองไม่เห็นถ้าอยากจะเห็นของที่ไม่สวยก็ต้องไปที่ปา่าช้าหรือไปที่โรงพยาบาลไปดูคนเก็บไข้ได้ป่วยไูดูคนแก่คนแก่คนแก่ก็ไปร่างกาย เหมือนกันทั้งหนึ่งก็สวยงามตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็สวยงามพอแก่แล้วก็ไม่น่าดูดูคนแก่ก็ได้ดูคนเจ็บ ก, ก็ได้ดูคนตายก็ได้สมัยนี้เขามีการผ่าศพนักศึกษาแพทย์จะไปขอเขาดูก็ได้อย่างที่วันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันก็จัดให้ไปดูการผ่าศพที่โรงพยาบาลจุลาสําหรับภาพบวชใหม่ เป็นธรรมเนียมของวั น, นี้ทุกเวลาเข้ า, าพรรษาพาพระไปดูอสุภะกันสมัยนี้ถ้าไม่อยากจะไปดูก็เปิดในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้มีภาพสพต่างๆมีภาพอนาตอมีดูของเหล่านี้แล้วเอามาเนึกอยู่เรื่อยๆดูหนนเดียวไม่พอเดี๋ยวมันลืมดูแล้วต้องเอามานึกอยู่เรื่อยๆเยนคให้มันบ่อยเนกให้มันจำได้ เมืนกับเราเตรียมน้ําไว้ดับไฟต้องหาน้ํามาสะสมไว้ยเยอะๆพอเวลาเกิดไฟไหม้ก็จะได้มีน้ําดับไฟเวลาเกิดกามาราคะเกิดกามอารมณ์เกิดความไข้ขึ้นมาตอนนึกถึงอสุภะปั๊บมันก็จะหายมันก็จะดับแต่ถ้านึกไม่ถึงลืมไปมันก็จะไม่ดับมันก็จะไปหาคนนั้นหาคนนี้ ข้อที่สก่อนจะมาถึงขั้นตอนของการพิจารณาอสุภกรรมฐานจำเป็นต้องทำสมาธิหรือสมถะภาวนาให้ได้อย่างตามถึงขั้นอุปจาระก่อนไหมคะหรือไม่จำเป็นสามารถพิจารณาอสุภกรรมฐานได้โดยตรงเป็นสมถะไปเลยคือถ้าจะพิจารณาแป๊บเดียวนี้มันไม่ต้องมีสมาธิแต่ถ้าจะพิจารณาทั้งวันทั้งคืนนี่มันต้องมีเพราะธารรมดาใจมันไม่ยอมพิจรารณา พอเวลาใจไม่มีสมาธินี้กิเลตมันจะดึงไปให้มองแต่สุภาะมันจะมองให้ไปคิดแต่ของสวยๆงามๆ ม, มันจะไม่ยอมคิดในของที่ไม่สวยไม่งามถ้าจะบังคับมันก็ได้แค่แป๊บเดียวอ่ะนึกถึงสุภะหนเดียวพอละอย่างงี้ไม่พอมันต้องแบบนึกของมอนจนมันจำได้ติดตาติดใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอย่างน้นถ้าจะเห็นแบบนั้นมันจะต้องมีสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธินิจัยจะถูกกิเลสลากไปดูอย่างอื่นแทนแทนที่จะมาดูาสุภาษมันไม่ยอมดูเวลาดูก็เกิดอาการอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเห็นภาพไม่สวยไม่งานแล้วเกิดอาการอิดสะอสะเอื่องเกิดอาการเบื่อหน่ายไม่อยากจะดูแต่ถ้าเวลาใจมีความสงบมีสมาธินีจใจจะเป็นกลางจะเฉยเฉยเห็นภาพสวยก็เฉยเห็นภาพไม่สวยก็เฉย ก็จะดูได้นานที่ต้องให้ดูนา น, านๆดูบ่อยๆเพื่อให้จำได้ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าดูเดียวเดียวเดียวมันลืมดูปั๊บเดียวแล้วเดียวมันลืมพอเวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมาหยุดมันได้แต่ถ้าเราดูแบบไม่ลืมนี่พอเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเราก็เอามาหยุดมันได้เลยคำถามจากคุณแสงทิพ์นะครับหนูรู้สึกไม่สนุกกับการท่องเที่ยวหรือการพูดคุยกับคน รอบตัวในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของตัวเขาเองหรือเรื่องรอบๆสังคมเลยเพราะทุกเรื่องมีทั้งเรื่องที่ถูกใจและไม่ถูกใจเหมือนไม่อยากรับรู้เลยว่าคนอื่นๆเขาทําอะไรไม่ทําอะไรหนูอยากที่จะฟังธรรมอยู่กับการสวดมนต์และอยู่กับตัวเองมากกว่าแม้กระทั่งเพื่อนๆนัดเจอกันหนูก็ไม่อยากเจอเหมือนรู้สึกว่าเจอแล้วหนูจะเก็บเรื่องราว ที่ได้เจอติดมามาอยู่ในความคิดทําให้ทุกข์และฟุ้งซ่านหนูก็เลยไม่เจอหรือไปรับรู้จริงๆหนูก็เป็นห่วงพวกเขานะคะแต่ ว, ว่าความรู้สึกนึกคิดเวลากลับมาบ้านมารบกวนจิตใจหนูก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงคำถามหนูไม่ดีหรือเปล่าคะหนูควรทําอย่างไรเพื่อพัฒนาจิตใจหนูให้ดีขึ้นก็ทานี้ก็ถูกแล้วะตามที่พรเจ้าทรงสั่งสอน ถ้าอยากให้มีความสงบมีความสุขใจต้องไม่คุกคีกันไม่สังคมกันต้องปีกวิเวกต้องต่างคนต่างอยู่กันการอยู่ร่วมกนันนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจมันสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจมากกว่าการอยู่คนเดียวดังนั้นถ้าเราต้องการความสุขใจเราก็ต้องอยู่คนเดียวถ้าเราต้องการความเพิดเพลินแก้เหงาเราก็ต้องอยู่กับเพื่อน ถ้าอยู่กับเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ทําให้เราไม่สบายใจหรืออา จ, จะพูดคุยกันไปจนทะเลาะกันขึ้นมาก็ได้ยั้นถ้าอยากต้องการความสงบก็ต้องอยู่คนเดียวถ้าต้องการความสนุกสนานเฮฮาก็ไปอยู่กับเพื่อนแต่ก็จะได้ความวุ่นวายได้ความคลุ้งซ่านกลับมาด้วยคําถามจาก youtube นะครับจากคุณกิตกรนะครับ การบริจาคเลือดเป็นการได้บุญบระดับไหนครับก็ได้อวัยวะบริจาคอวัยวะมันก็เป็นทานเหมือนกันจะถือว่าเป็นวัตถุทานก็ได้เหมือนกับเราสละเงินทองมันก็มันก็เป็นเหมือนวัตถุอย่างหนึ่งเลือดที่เราบริจาคก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกับวัตถุทานทานนี่มีอยู่ 3-4 ชสี่ชนิดวัตถุทานวิทยาทาน ธรรมทานแล้วก็อภัยทานก็มีอยู่สีอภัยทานก็คือยกยกโทษไม่ถือโทษโกดเคลื่องใครขยาแล้ ว, ลวเราก็ไม่เป็นรายสาธุผ่านไปพอเราให้อภัยเขาเราก็สบายใจเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราโกรธเขาเราก็เดือดร้อนขึ้นมาถ้าเราให้เงินทองไปก็เรียกวัตถุทานถ้าเราสอนคนนั้นให้เขารู้จัก วิชาทำาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เป็นวิทยาทานเช่นสอนเด็กสิวเด็กวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษโดยไม่คิดเงินทองอย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานธรรมทานก็สอนธรรมอย่างที่กำลังสอนอยู่นี้ก็เรียกว่าธรรมทานเนีย่ยเราก็ทาทานอยู่ทุกวันแต่เราทาธรรมทานทาวันละสองรอบถ้าเป็นวันวันพระก็เช้ากับบ่าย ถวันธรรมดาก็รอบเดียวแต่การทำให้ทำนี้ชนะการให้ทั้งปวงธรรมะนี่มีคุณค่าราคามากกว่าวิทยาทานมากกว่าวัตถุทานเพราะธรรมะทำให้คนที่ได้ไดรับไปนี้ให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่วิทยาทานกับวัตถุทานนี้ ทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจยังหลุดไม่พ้นแต่ถ้าได้ธรรมทานนี่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจแต่ความทุกข์ทางร่างกายอาจจะไม่หลุดพ้นความทุกข์ทางร่างกายนี้ก็ไม่มีใครหลุดพ้นได้เพราะมันเป็นธรรมดาของร่างกายไม่ว่าจะมีเงินทองก็ไม่มีเงินทองก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเวลาแก่เจ็บตายก็ต้องทุกข์ทางร่างกาย แต่ถ่ามีธรรมทานก็จะไม่ทุกข์ทางใจร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่มีธรรมทานใจก็จะทุกข์ไปกับความแก่ความเจ็บความตายการให้ธรรมะเป็นการใหเ้เป็นการชนะการให้ทั้งปวงเป็นการให้ที่ดีที่สุดแต่เราจะให้ได้เราก็ต้องมีธรรมะก่อนถ้าเราไม่มีธรรมะเราจะเอาเอาไปให้เขาได้อย่างไร ถ้าเราไม่มีวิทยาความรู้ทางโลกเราจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไงยังถ้าเราอยากจะให้ธรรมะเราก็ต้องไปศึกษาธรรมะไปปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมขึ้นก่อนให้ได้ธรรมก่อนแล้วเราถึงจะให้ธรรมะได้ถ้าเราให้แบบนี้ไม่ได้เราก็ให้แบบอีกแบบก็ได้โดยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันเห็นหนังสือเล่มไหนเป็นหนังสือดีอ่านแล้วทําให้เราสบายใจ ดับความทุกข์ใจเราได้เราก็พิมพ์มาแจกคนอื่นพอก็อ่านแล้วเขาก็อาจจะดับความทุกข์ใจของเขาได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นธรรมะของเราแต่ก็อาศัยธรรมะของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราทําด้วยการช่วยเผยแผ่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานอย่างนี้กันคำถามอีกข้อจากคุณจักริดนะครับรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดจะถามมาครั้งที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวลองถามอีกครั้งนะครับ อยากฟังอนุปุกภาพยิกถาจากพระอาจารย์ได้ไหมครับอยากเซฟเก็บไว้ฟังแต่วันไม่ไปเปิดกูเกิลดูเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไปเปิดกูเกิลดูถ้าไม่ลืมแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยคำถามจากคุณพันลพบเวลาเดินจงกรมจะบริกรรมพุทโธกำกับแต่เวลานั่งสมาธิจะรู้สึกเบาสบายกว่าพุทโธถ้าเปลี่ยนมากาหนดตามดูลมหายใจ การทําเช่นนี้คือทั้งพุโทโธและลมหายใจจะทําให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าครับไม่หรอกมันก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันิตใช้แทนกันได้แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะได้ผลดีกว่าเราก็ใช้อย่างนั้นบางเวลาเราใช้พุโทโธได้ผลดีเราก็ใช้พุโทโธบางเวลาเราดูลมแล้วได้ผลดีเราก็ใช้การดูลมเปลี่ยนได้เหมือนกับเพียงใตจะย่ไปเปลี่ยนในขณะที่ทํา เช่นเวลานั่งดูลมก็อย่าไปเปลี่ยนเป็นพุโทโธกลับไปกลับมาดูลมก็ต้องดูลมอย่างเดียวให้มันจิตมันเกาะติดเป็นเรื่องเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนม า, ามันอาจจะทำให้ใจบล็อกแวกไม่นิ่งเอาอย่างเดียวคำถามจากคุณพาผมนั่งภาวนาพุโทโธแล้วมันเหมือนมีคนทาตัวผมตรง ความคิดก็ดับลงรู้แค่กายหายใจมันดีใหม่ครับให้รู้อยู่ที่พูดโท่อย่างเดียวอย่าไปรู้อยู่ที่เรื่องอื่นมีเรื่องอื่นอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจยังไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการก็คือให้มันวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันนิ่งสงบสบายคำถามจากคุณสุธันมา คนที่เป็นหมอและเก่งช่วยเหลือคนไข่มากมายโดยได้ผลตอบแทนที่สูงแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมทำบุญทำทานเพราะอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสานาเป็นหลักอนาคตจะได้สมบัติชั้นไหนคะก็ไม่ได้ทำบุญเลยเราไม่มรักษาศีลอะไรก็ได้อบายะสมบัติเลยฉับาคำถามจากคุณจงสินีข้อที่หนึ่ง เวลาใส่บาตรแต่ไม่ได้กวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรแต่นึกถึงแทนเขาจะได้ไหมคะคือการกวดน้ํานี่เรากวดให้กับคนที่ตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่กวดได้หมดส่วน ส, ส, ส่วนเจ้ากรรมนายเวรเข้าจะอาภัยโทษให้เราหรือไม่มันไม่เกี่ยวกับการที่เราไปกวดน้ําให้เขาหรือไม่กวดให้เขาถ้าเขายังกวดเราอยู่เขาก็ยังกวดเราอยู่เราต้องไปทําให้เขาไม่กวด ไม่โกรธก็คือต้องทำในสิ่งที่เขาอยากทำถ้าเ็าอยากจะฆ่าเราก็ให้เขาฆ่าเราพอเขาฆ่าเราแล้วเขาก็จะหายโกรธเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราอีกต่อไปข้อที่2เราบริจาคเข้าของให้คนยากจนแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรแล้วได้ไหมค้าต่างกันกับให้พระสงฆ์อย่างไรเราไม่ต่างหรอกทำบุญแล้วมันก็ได้บุญความสุขใจ ความสุขใจนี้เราก็แบ่งให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคำถามจากคุณหนูถ้าคนสองคนซื้อของชนิดเดียวกันจำนวนเท่ากันมาถวายพระแต่ใช้เงินในการซื้อไม่เท่ากันจะได้บุญเท่ากันไหมคะบุญที่เกิดที่ใจของคนผู้ให้นี่มันมันไม่ได้อยู่แต่จำนวนเงิน เป็นจำนวนเงินแต่ไม่ได้เป็นจำนวนว่ากี่ตังค์มันอยู่ที่ว่ามันเป็นสัด ส, ส่วนของเงินที่เรามีอยู่เท่าไหร่เช่นถ้าเราทำบุญร้อยละห้าสิบนี่อีกคนหนึ่งเขาทำบุญเงินเท่ากันแต่เขาทำบุญร้อยละสิบนี่เพราะเขามีเงินมากกว่าเราเช่นเราเขามีร้อยบาทเราไปซื้อของห้าิบบาทเขามีพันบาทเขาก็ไปซื้อของห0 บ, บาท เราได้บุญมากกว่าเขาเพราะเราเสียมากกว่าเขาตามสัดส่วนเพราะเราเสียครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ <_ S 1> เขาเสียเพียงห้าเปอร์เซ็นต์แ่ห้าสิบบาทของพันหนึ่งก็แค่ห้าเปซห้าสิบบาทของร้อยก็ห้าสิบเอร์เซนต์งั้นเราแสดงว่าเราทำบุญมากกว่าเขางั้นเราจะดูที่ตัวตัวเลขของเงินทองอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองที่สัดส่วนของเงินทองที่เรามีอยู่ ถ้าเรามีมากเราทําน้อยเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ค่อยสะเทือนใจใช่ไหมมันต้องทำแล้วมันสะเทือนใจมันถึงจะได้เหมืนมากยิ่งสะเทือนใจเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากก็จะมีความสุขมากยิ่งสละของที่เรารักได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากถ้าเราสละของที่เราไม่รักเราจะไม่รู้สึกไม่ไม่สะเทือนใจเลยเป่นของโทรศัพท์มือถือนี่เก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ยกให้คนอื่นไป นี่มันไม่มันไม่สุขเหมือนกับซื้อเครื่องใหม่มาแล้วยกใครเขาไปเลยอ่มันมันสุขกว่ากันเยอ ะ, อะนะั้นต้องอ ย, อยู่ที่หนึ่งเป็นของที่เรารักมากรักน้อยถ้าเรารักน้อยสิทำให้เขาไปเราจะไม่รู้สึกได้บุญมากเหมือนกับให้ของที่เรารักท่านเข้ามาขอลูกองพระเวสสันดรนี่มาขอการหาชาลีนี่ท่านก็ยกไปให้เขาไป นั้นึงต้องดูหลายอย่างจะดูแต่ตัวเลขของที่ซื้อมาเนี่ยเศรษฐีไปซื้อของมาราคาเท่ากับคนจนที่ไปซื้อของมาซื้อของอันเดียวกันเนี่ยคนจนจะมีความรู้สึกปลื้มปิติมากกว่าคนที่เป็นคนรวยเพราะคนรวยเขาไม่ได้เสียมากเหมือนกับคนที่คนจนเสียอันนี้เป็นความสุขทางใจที่เรียกว่าบุญแต่ประโยชน์ที่ได้นี้เท่ากัน คือคนที่รับนินได้ของราคาเท่ากันก็ได้ประโยชน์เท่ากันได้แปลงสีฟันราคาเท่ากัน2องงนนี้มันก็ไม่ต่างกันตรงไหนประโยชน์มันก็เท่ากันแล้วเวลาคนที่ให้กลับมาชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะได้แปลงสีฟันเหมือนกันแต่ถ้าเขาให้มากกว่าคนที่ให้มากกว่าก็จะได้แปลงสีฟันมากกว่าคนที่ให้น้อยกว่าสาหรับผลที่จะได้รับ เวลาที่กลับมาเกิดในชาติหนี่หมายถึงในแง่ของการสะ ส, สมใช่ไหมครับอาจารย์จะได้สะ ส, สมไหมคของที่จะกรรมมาหาเราเนี่ยแต่แค่ความสุมันจะเท่ากันถแค่ปริามาณสัด ส, ส่วนอย่างา่นี้ยออใช่ข้อที่สองหากนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงกลนตัวเองแล้วสะดุ้งตื่นเกิดจากอะไรคะจะแสดงว่าเราไม่ได้หลับสนินทไงคําถามจากคุณบงกฎ เมื่อถึงเวลาที่เรากําลังจะตายเราควรจะทําอะไรเพื่อไม่ให้เราขจัดจความกลัวความตายนั้นออกไปได้และที่บอกว่าขณะก่อนจิตสุดท้ายถ้าเรานึกถึงพุทโธจะช่วยให้เราไปพบภูมิที่ดีจริงหรือไม่หรือแค่เป็นการภาวนาที่จะช่วยให้เราเบี่ยงเบนไปจากความกลัวตายเท่านั้นอย่างไรขอกราบขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะได้ค่ะคือการทําใจให้สงบได้เนี่ยมันก็จะทํำให้เราทุกข์น้อย เวลาที่เราจะตายแต่มันพูดง่ายเวลาพูดเนี่ยมันพูดง่ายเวลาทำมันทำได้หรือเปล่าท่านจะมาทำตอนตายนี่มันทำไม่ได้หรอกถ้านอยากจะทำได้มันต้องทำก่อนตายต้องฝึกซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักมวยเนี่ยไม่ใช่ว่าพอจะขึ้นไปชิงเหรียญทองก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องซ้อมต่อยตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นไปก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปเล่นพอถึงเวลาก็ขึ้นไปบน เวทีไปชิงกับเขาก็โดนหมัดเดียวก็น็อกแล้วแหละนั้นถ้าเราจะไปชิงเหรียญทองตอนตายเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมทําใจให้สงบให้ได้ก่อนทําพุตโธก็จะทําให้เราเป็นสงบเป็นพรหมถ้าใช้ปัญญาโปร่งปล่อยวางร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะไปเป็นพระอริยะเจ้าแต่ต้องทําให้ได้ก่อนตายทําให้ได้ก่อนขึ้นเวทีเหมือนกับเด็กนักเรียนทําการบ้านให้ได้ก่อนซ้อม ทำการบ้านซ้อมข้อสอบทุกข้อสอบทําให้ตอบข้อสอบทุกข้อสอบให้ได้ก่อนมันตอบได้แล้วเวลาไปสอบมันก็ตอบได้แต่ถ้าไม่ซ้อมเลยแล้วบอกว่าเวลาตายมาพุโทโธรมาทําใจให้สงบมาปองว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันทําได้หรือเปล่า mm hmm. นั่นแหะมันอยู่ตรงนั้นยั้นอย่ามาพูดว่าตอนตายย่ให้ทําไงต้องมาถามว่าตอนเป็นให้ทําไงเพื่อที่เวลาตายเราจะได้ตายอย่างสงบด้วยตายตามที่เราต้องการ ก็ต้องมาซ้อมก่อนถ้าตายอย่างสงบตายจะตายแล้วไปพรมมาโลกก็พุโทโธไปฝึกธรรมสมาธิไปถ้าตายแล้วไปไม่กลับมาเกิดไปเป็นพระอริยะเจ้าก็ต้องพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นนิน้ำลมไฟตายก็ให้มันตายไปอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดพระอาจารย์ครับมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งครับโทรมาคุยแล้วเขาบอกว่า สถานที่แห่งหนึ่งที่งผมก็ไม่ทราบนะครับอสอนให้เขามองทุกอย่างเป็นความว่างทั้งหมดว่างว่างวงวงว่า ง, า ง, างอย่างเดียวแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาถึงสถานการณ์จริงเนี่ยเอาไปอยู่เงินคืออะไรครับอาจารย์ก็มันมันหลอกตัวเองไงพอเห็นเงินมันก็ไม่ว่างใช่ไหมนะพอเห็นของที่น่าดูน่าชมก็ไม่ว่างนะ <N> <N> เห็น iPhone รุ่นใหม่มากก็ไม่ว่างนะนะถ้ามันวา่ามันก็ต้องเฉยบอดกับทุกอย่างที่เห็นเนี่ คำว่า<ม>ว่างก็คือให้ใจเราเฉยไม่ยินดีร้ยายกับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราเห็นความว่างเรามีความยินดียินร้ายนะใช่ไหมมันต้องมันต้องว่างอย่างนั้นว่างแบบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะว่างแต่เวลาเราอยากจะว่างเวลาไม่อยากก็ว่างก็ลืมไปเลยเขาแจ้งให้ฟังว่านั่นคือการที่เขาไปปฏิบัติมาก่อนที่จะมาฟังพร ะ, าะอาจารย์ครับหลังจากมาฟังพระอาจารย์แล้วเนี่ยก็ทําตามพระอาจารย์เอาอยู่ แต่ก่อนหน้านี้นคือไม่อยู่เลยเออว่างๆๆๆแต่พอเจอสถานการณ์อะไรกระเทยที่เราไปนั่งคิดอย่างนั้นเราต้องทําที่เหตุแถมที่เหตุก็คือทําใจให้หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วมันก็จะว่างกับทุกอย่างไปเองเออคำถามจากคุณกรุงจินนะครับผมนั่งสมาธิกําหนดบริกรรมพุทธโธถี่ๆสรับกับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธจิตก็ยังไม่สงบจึงทําตามที่บ้าอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าให้พราะอานนท์เจริญ มรณสติคือถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายถ้าไม่หายใจออกก็ตายทำให้จิตสงบมากจนมีความอยากขึ้นมาในใจอีกว่าอยากให้จิตสงบแต่ว่าก็จำแต่ว่าก็ได้จำที่พระอาจารย์เทศให้ไม่มีความอยากจึงได้ปล่อยวางความอยากโดยความไม่อยากพบว่าเวทนาทางกายหายปวดไปเลยแล้วก็ได้ยินเสียงภายนอกมากระทบ ทางหูก็กำหนดว่าสักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นผมใช้เวลานั่งอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีความสุขมากนั่งต่อเนื่องไปอีกประมาณ30มสินาทีจึงออกจากสมาธิโดยไม่มีความเจ็บปวดหรือขาเหน็บชาเลยครับขอพระอาจารย์เมตตาดังนี้ข้อที่หนึ่งเมื่อสงบแล้วไม่อยากออกจากสมาธิผมจะต้องนั่งต่อไปจนอยากออกหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับ ออกมาทำไมล่ะอยู่บนสวรรค์ดีอยู่แล้วจะลงมานารกทำไมอยู่ไปสิเนี่ยนั่งเพื่อให้มันอยู่ได้อยู่นานๆฤษีบางคนก็นั่งทีละเจดวันสิบห้าวันมันสกล่าออกมากินข้าวสู้อยู่ในสมาธิมันไม่หิวข้าวมันอยู่ได้เป็นวันๆเลยถ้ามันอยู่ในสมาธิแล้วมันไม่ออกมาอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันอยู่นั้นไปยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีต่อไปเราจะได้ชานาญไง เวลาเราเบื่อโลกเราก็เข้าไปในสมาธิเหมือนการเข้าไปในสมาธก็เหมือนเข้าไปในห้องแอร์มันเสียหายตรงไหนอยู่ในห้องแอร์กลับมาอยู่ข้างนอกอันไหนมันดีกว่ากันข้างนอกก็ร้อนฝุ่นก็เยอะเสียงก็ดังใช่ไหมก็ไปนอยู่ในห้องแอร์นี่เยน็นฝุ่นก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีคนถึงชอบติดแอร์กันเงี้ใจคนเราก็ต้องติดแอร์เนี่ยสมาธิของใจเนี่ยแอร์ของใจก็คือสมาธินี่แหละ พยายามอยู่ให้นานๆถ้าจะออกมาก็ต้องมีปัญญามาคอยรักษาไม่ให้มันร้อนถ้ามีปัญญาเวลาเกิดตัวที่จะมาทำให้ร้อนก็หยุดมันตัวให้ทํำให้ร้อนก็คือความโลภความอยากนี่แหละพอมีปัญญาก็บอกว่าอย่าไปโลภอย่าไปอยากโลภแล้ว จ, จะต้องเสียใจในภายหลังนะจะต้องทุกข์ภายในภายหลังได้มาแล้วก็เวลาเสียไปก็จะร้องห่มร้องไห้ไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า ก็กลับก็หยุดความอยากได้ใจก็เย็นสบายสงบต่อไปข้อ 2. เมื่อมีเสียงรบกวนเวลานั่งสมาธิผมกําหนดว่าสักแต่ว่าได้ยินเช่นเดียวกับอายตนะอื่นๆด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วทุกให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากให้มันหายไปปล่อยมันไปตามเรื่องของมันแล้วใจเราจะสบาย เราทุกกันกันเพราะความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนี้ก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันก็วุ่นวายฝ่ายเขาเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแล้วเราก็จะสบายใจนอนแล้วเลยีคะเอาว่ามาคําถามจากคุณแมว ไม่มีโอกาสมาวัดถือศีลวันพระตอนเข้าพรรษาจะไปรักษาศีลอยู่วัดได้ตอนปิดเทอมจะเป็นบุญใหญ่เหมือนตอนเข้าพรรษาหรือเปล่าคะคือศีลมันไม่ได้อยู่ที่วัดหรอกศีลมันอยู่ที่กายวาจาใจาอของเราเรารักษาได้ทุกคนทุกแห่งเพียงแต่ว่ามันยากนึ ง, ง่ายเท่านั้นเองถ้าอยู่บ้านนี้อาจจะรักษายากกว่าไปอยู่วัดเช่นถือศีลแปเพราะถ้าไปอยู่วัดคนเขาก็ถือศีลแปด้วยกันทุกคน ก็ไม่มีอะไรมายั่วยวนควรใจเหมือนกับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเราถือศินแปดเขาไม่ถือศิน8ปดเดี๋ยวเขากินข้าวเย็นเขาก็ทำกับข้งกับข้าวกินแล้วก็โชยเข้าจมูกเราใจเราก็จะตาะบะแตกก็จะอดไม่ได้เห็นถ้าถ้าเราไม่สามารถไปวัดได้แต่ถ้าเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งก็รักษาได้ทุกแห่งทุกคน อาจจะทุกข์มากหน่อยเพราะว่าต้องต่อสู้กับสิ่งที่มายื่ยยวนกวนใจมากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเดี๋ยวฟังทำแล้วมันสงบสบายถาคำถามจากคุณจั ก, กรีถ้าทำผิดแรงสามารถบรรลุทําได้ไหมครับคือแบบว่าอย่างเช่นผิดสังฆ า, าที่เลสสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษ หรือปาราชิกสามารถบรรลุได้ไหมครับถ้ามองตามตามความเป็นจริงมันได้เพราะองคุลิมาข้างคน999คนก็ยังบรรลุได้แต่ว่ามันยากเท่านั้นะถ้าเราไปทำบาปแล้วโอกาสที่จะพิกอย่างองคุลิมาได้นี่มันมันน้อยมากนะครับานึงบอกว่าถ้าใครไปทำผิดปาลาชิกแล้วนี่โอกาสที่จะบรรลุนี่ไม่มีทาง ขนาดสินค่าสี่ข้อนี้ยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปค่ากิเลสได้ไงมันยากกว่ากันต้องหลายร้อยเท่าเองแต่ค่าตัวสี่ตัวที่จะมาทำให้เราผิดศีลไม่ได้นี่ยัย น, นถ้าทำบา ป, ถ, าบาปถ้าทำบาปตามที่พระพุทธเจ้าห้ามทำแล้วก็อย่าไปหวังว่าเราจะบรรลุได้เลยคาถามจากคุณมงคล การกินยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคในร่างกายถือเป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ครับเชื้อโรคเขาไม่ถือว่าเป็นสัตว์เนี่ย <c oughs> เขาถือว่าเป็นเป็นเชื้อโรคไม่มีวิญญาณ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ตัวรับรู้ไม่มีจิตใจคํ <c oughs> าถามจากคุณล่า <c oughs> เรามีความมุ่งมั่นที่จะถึงนิพพานชาตินี้แต่การภาวนายังไม่ถึงไหนจะเป็นไปได้ไหมคะ ก็จะได้ไม่ได้อยู่ที <t t ่เหตุเนถ้ามีเหตุผลมันก็ตามมาเองถ้าไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้ตามมามันไม่ได้อยู่ที่ความมุ่งมั่นความอยากเพียงอย่างเดียวความมุ่งมั่นความอยากมันก็ดีเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่จะให้เราไปสร้างเหตุแต่ถ้าเรามีแล้วเราไม่ไปสร้างเหตุผลนันก็ไม่เกิดอยู่ดีเฉนั้นเมื่อมีความมุ่งมั่นแล้วมีความอยากไปนิพพานแล้วขั้นต่อไปก็ต้องไปสร้างเหตุที่จะทําให้เราไปนิพพานถ้าเรามีเหตุเราก็จะไปนิพพานได้ เหมืเราอยากจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ําอย่างเงี้ยเรามีความอยากแล้วแต่เราไม่ไปหาข้ามของมาสร้างมันก็ไม่ข้ามมันก็ไม่มีสะพานให้เราข้ามถ้าเราอยากจะมีสะพานเราก็ต้องไปหาซื้อวัสดุก่อสร้างไปจ้างวิศวกรจ้างช่างมาสร้างสร้างเดี๋ยวมันก็ได้สะพานข้ามไปเองเห็นต้องมีเหตุเหตุก็คือการการศึกษาการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาเพราะเราจะได้รู้วิธีที่จะสร้างสะพานให้ถูกแล้วเมื่อเรารู้จักวิธีสร้างรู้จักวิธีปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้ถูกต้องเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานคํถาถามจากคุณวรกุลอาจารย์ครับการไปนิพพานมันง่ายไหมครับถ้าง่ายก็คงจะไปกันหมดแล้วคําถามจากคุณนุ้ย เป็นคนไม่ฆ่าสัตว์เลยค่ะแต่เคยขับรถเหยียบมูใหญ่ตัวหนึ่งรู้สึกผิดมากกับเหตุการณ์นั้นหรือเดินเหยียบสัตว์โดยไม่เจตนาทำให้ไม่ค่อยอยากไปเดินในสวนกลัวเหยียบหอยทากหรือกิ้งกือตัวเล็กๆเขาเล่าให้ฟังก็ถ้าเราทำโดยไม่มีเจตนาทำด้วยเหตุสุดวิสัยนี้ไม่ถือว่าบาป <c oughs> าากณศักื์ มีคนมาขออาศัยอยู่ด้วยเขาเป็นโลกติดต่อเขาบอกไม่มีที่ไปแล้วแต่คนคนนี้เป็นคนไม่มีศีลชอบโกหกลักทรัพย์เราควรจะให้เขา อ, อาศัยอยู่ด้วยไหมคะถ้าเราอยากจะมีความเมตตาเราก็ให้เขาอยู่แต่ถ้าเราไม่มีความเมตตาเราก็หรือว่าเรามีเหตุผลเรามีอุเบกขาว่าถ้าให้เขาอยู่แล้วมันจะทําให้เกิดความเสียหายให้กับคนที่อยู่ด้วย เราก็อาจจะต้องไปจัดหาที่อยู่ที่อื่นให้เขาอยู่ถ้าเรายังอยากจะมีความเมตตาอยู่เราก็ไปเช่าห้องพักให้เขาอยู่ก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องให้เขาอยู่กับเราแต่ถ้าเราไม่ต้องการมีความเมตตาก็สายหัวไปเลยไปไหนก็ไปคำถามจากคุณวงทิพย์การเล่นเกมในคอมพิวเตอร์จะขัดขวางการภาวนาเพื่อการหลุดพ้นไหมเจ้าคะ คาถามจากคุณหนูไม่เสมอไปที่คนทําบุญมากได้มากทําน้อยได้น้อยแต่บางทีบางคนทํามากกับได้ผลบุญน้อยแต่บางคนทําน้อยได้บุญมากเพราะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยแต่ที่พระอาจารย์กล่าวว่าถ้าทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นเช่นทำหนึ่งร้อยบาทเท่ากันได้เท่ากัน อันนี้หมายถึงพิจารณาแค่เรื่องจำนวนใช่ไหมคะหรือไม่พิจารณาถึงตัดใจอื่นหนูเข้าใจผิดหรือถูกอย่างไรคะก็เมื่อกี้ในการอธิบายให้ฟังล้ ว, ว่าเงินร้อยบาทสำหรับคนหนึ่ง ก, กับอีกคนยัง ม, มันมีคุณค่าไม่เท่ากันคนที่มี200บาทเสียไปร0อยบาทนี่มันเสียไปครนนึ่งคนที่มี2งพันบาทเสียไปร้อยบาทนี่มันเสียไปแค่นิดเดียว มีความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าบุญคนที่เสียทางจิตใจจะมีความสุขมากกว่าเขารู้สึกว่าเสียมากกว่านคนที่รู้สึกเสียน้อยกว่าก็จะไม่มีความสุขใจเหมือนกับคนที่เสียมากกว่าทาั้งๆที่เงินก็เท่ากันแต่อันนี้สงจากการทำบุญร้อยบาทเท่ากันที่ชาติหน้ากลรมาเกิดก็จะได้ร้อยบาทบวกกับดอกเบีย้ยเท่ากันปัญัามัม้ คำถามจากคุณแสงดาบางเวลาในในช่วงขณะทำกิจการงานอยู่ในใจสวดมนต์บทที่เคยสวดด้วยเหมือนตัวเราทำพร้อมกันสองอย่างคือกายทำงานใจสวดมนต์พระอาจารย์โปดแม่ตะแนะนำเลยค่ะมันก็จะไม่ได้ผลดีทั้งสองทางทางร่างกายทำงานก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะใจเราไม่ได้อยู่กับการงานตลอดเวลาทางใจก็จะไม่ได้ผล เพราะว่าใจเราไปมัวพอวงอยู่กับการงานด้วยมันก็เลยไม่สงบนั้นจะทำ ท, ทางใจก็หยุดไปทาทางกายนอกจากการทำทางกายไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้เช่นถ้าเป็นพระเวลาปัดกวาดนี่ท่านก็พุทโธพุทโธไปเวลาบิณฑบาตก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็ท่านก็ยังทำทางใจได้เกลห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงของต่างๆเรื่องราวต่างๆ ไห้เฝ้าดูกับงานที่เรากําลังทําอยู่กับการปัดกวาดอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ใช้ได้แต่ถ้าต้องสวดอะไรยาวๆบางทีมันต้องใช้ความคิดความจําแล้วเราทําอะไรไปด้วยเดี๋ยวมันสับสนว่าไอ้สวดไปถึงไหนแล้วว่าไอ้กําลังทําถึงไหนแนละ้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ทั้งทางใดทางหนึ่ ง, ง, ง, ง, งแต่ถ้าสวดสั้นๆคําว่าพุโทโธคําเดียวนี้เพื่อไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้ก็ยังใช้ได้ ามารถทำงานควบคู่ไปกับการพูดโทได้อ่อ่นำถางจากคุณน้ำมนหนูต้องการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่แฟนหนูต้องการให้ทำเพราะเมื่อใดที่หนูไม่ทำก็มักจะทะเลาะกันเสมอหนูเลยคิดว่าจะทำทุกอย่างที่เขาต้องการอยู่ด้วยกันมาสิบปีพยายามทำให้เขาแบบนี้มาตลอดค่ะแต่หลายๆครั้งทาให้เกิดทุกข์หนูควรจะใช้อุบายทำข้อไหนควรคิดอย่างไรปรับใจตัวเองอย่างไร และสามารถพิจารณาให้เกิดทำได้อย่างไรเพื่อที่หนูจะใช้ธรรมะในการปรับใจตัวเองไม่ให้ทุกข์และเขาก็จะได้มีความสุขค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าอยู่กับคนอื่นทำตามใจเขาเนี่ยแล้วเราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปทำตามใจเขาเพราะบางทีเราไม่อยากจะทำในสิ่งที่เขาอยากให้เราทำเราก็ทุกข์ เห็การที่เราจะไม่ทุกข์เพื่อทําตามใจคนอนื่นนี่มันเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมทุกข์แล้วเราก็จะไม่ทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่ยอมทุกข์แล้วอยากจะทําตามที่เขาอยากให้เราทํานี้เราก็จะทุกข์เห็วิธีที่ถ้าเราอยากจะทําตามใจเขาเราก็ต้องปลงว่าอเราเป็นเหมือนทาสก็แล้วกันก็เป็นเหมือนเจ้านายเขาต้องการให้เราทําอะไรล้วก็ทําให้เขาไปหมดทุกอย่าง อย่างน้อยมันก็จะไม่ทุกทางใจมันก็จะทุกทางร่างกายเช่นเขาจะให้เราไปแบกปูนแบกอะไร เ, เราก็ทำไปให้เราไปกวาดไปถูไปทำอะไรเราก็ทำไปอย่างนี้ใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณภาวนาเวลาทำบุญแต่คิดว่าถ้ามาทำบุญเพื่อจะได้เลยกับคนที่ทำบุญเพื่อความสุขใจผลบุญนั้นจะเท่ากันหรือไม่คะมันก็ได้ทั้งสองอย่าง ทำบุญก็ได้ความสุขใจในปัจจุบันแล้วก็ได้ความร่ำรวยในอนาคตเวลากลับมาเกิดใหม่คำถามจากคุณชานนผลบุญของการสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานิสงส์มากแม้จะองค์เล็กเท่าต้นยญ้าค่ะจะมีอานิสงส์ถึงห้า ก, กับยกตัวอย่างเช่นคนที่สร้างหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิง ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบระบุเทพธิดาและพรมในชั้นต่างๆสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้นเพราะผลบุญที่ได้มามันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไหว้าาหลวงพ่อทีนึงใสยบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบระบุเทพธิดาอย่างนี้เป็นแบบนั้นหรือไม่ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีญาญอย่างทราบไม่ไม่กล้าตอบ <c oughs> คำถามจากคุณธีรวัดจากข่าวดารากระโดดตึกฆ่าตัวตายกันมากซึ่งปัจจุบันข่าว่าเป็นโรคซึมเศร้าถามว่าโรคซึมเศร้านี้เป็นอาการทางจิตหรือทางกายแพทย์ปัจจุบันบอกว่าเป็นอาการของโรคและสารชนิดหนึ่งทางสมองไม่ใช่หรอกเป็นทางจิตเกิดจากความผิดหวัง<ม>เกิดจากการสูญเสียเกิดจากการที่ไม่ได้ทาตามความอยาก พออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจผิดหวังเวลาสูญเสียสิ่งที่เราลักก็เราอยากให้คนลักเราอยู่กับเราพอสูญเสียไปเราก็จะผิดหวังเราก็จะเสียใจเราก็จะมีความไม่อยากจะอยู่อยู่ไปแล้วรู้สึกว่ามันทุกข์ไม่มีความสุขก็เลยคิดฆ่าตัวตายกันเพระฉนั้นโรคนี้ถือว่าเป็นโรคจิตนะสำหรับทางาศาสนานเรียกว่าโรคจิตคือความทุกข์นี่เอง ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากจะเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเสียไปก็จะไม่ทุกข์งั้นเราต้องตัดความอยากเราอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากไม่เสียแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ไม่ต้องกระโดดตื่ตายคําถามจากคุณทัศนี ขณะนั่งภาวนาและฟังธรรมไปด้วยควรจะต้องบริกรรมพุทโธด้วยหรือไม่คะไม่หรอกเวลาฟังธรรมไม่ตั้งใจฟังเสียงธรรมอย่างเดียวฟังได้สองแบบฟังแล้วคิดตามก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ถ้าคิดตามไม่ได้ไม่เข้าใจความหมายก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆก็จะกล่อมใจให้สงบเป็นสมาธิยังจะได้ผลสองแบบถ้าคิดตามได้ก็จะได้ปัญญาได้หลุดพ้นบางทีหายทุกข์เลย ทำลงทุกข์กับเรื่องนั่น ๆ, ๆันี้อยู่พอ เ, เขาบอกว่าทุกข์เพราะความอยากพอเราหยุดความอยากปั๊บก็หายทุกข์ได้เลยถ้าฟังก็ไม่เข้าใจว่าความอยากเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงก็ฟังเสียงไปไเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั่น ๆ, ๆนี้เดี๋ยวก็สงบได้ปิดก็สงบเรื่อหลับไปก็ได้ถ้าหลับก็แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติก็จะไม่หลับก็จะนิ่งจะรู้จะรู้ว่านิ่งจะรู้ว่าสงบ คำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณโค้ชไลน์นะครับหนูมีเพื่อนบ้านที่นิสัยชอบโกหกและชอบมาคุยด้วยบางทีก็หลบกเขาไม่ทันคุยทีไรจิตใจไม่ดีทุกทีหนูจะปฏิเสธเขาอย่างไรจะดีที่สุดเจ้าคะก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรีบเข้าห้องน้ำแล้วพี่ขอ <c oughs> ขอเวลาหน่อยบนบ้างกายะบ่นล้วเวลาเอาสักข้อสองข้อนยะ คำถามจากคุณพิมพ์ทุกครั้งที่ผ่านมาไปปฏิบัติที่วัดได้แค่ครั้งละ 1-2 วันอยากไปภาวนาที่วัดได้หลายๆวัน 7-15 วันไปแล้วสบายใจจิตสงบแต่ก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบถ้าไปหลายวันก็เหมือนเป็นการไม่สนใจภาระหน้าที่ถ้าไม่คิดไม่ห่วงภาระเลยจะเป็นการทิ้งความรับผิดชอบหมาเจ้าคะถ้าเราไม่สบายไปดยไปอยู่โรงพยาบาล1เดือนเราไปได้ไหม แต่เวลาเราไม่สบายใจเราไปอยู่วัดมันก็เหมือนกันวัดก็คือโรงพยาบาลรักษาโรคใจโรงพยาบาลก็เป็นที่รักษาโรคกายงั้นเวลาถ้าเราไปอยู่วัดก็บอกว่าเราไม่สบายเราไปรักษาตัวก็ไม like. you know, ่เป็นการทอดทิ้งภาระหน้าที่ไปรักษาใจไม่งั้นเดี๋ยวใจเราไม่สบายเราก็ไม่มาทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์อีกเราต้องรักษาใจให้เราสบายมีความสุขแล้เราจะทําหน้าที่ได้อย่างดีคนที่อยู่กับเราก็จะมีความสุข ถ้าเราไม่มีความสบายใจคนที่อยู่กับเราเขาก็ลาคาญใจพูดก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีบ่นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่วัดกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนั้นเขาคิดว่าการไปวัด น, นี่เป็นการไปรักษาใจเป็นการเข้าโรงพยาบาลเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เป็นการทอดทิ้งหน้าที่แต่เป็นการที่เราจะต้องไปรักษาตัวเราก่อน ก่อนที่เราจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้ดีได้จิตใจร่างกายของเราต้องดีงั้นถ้าจิตใจเราไม่ดีเราก็ต้องไปรักษาจิตใจของเราที่วัดหมดหรือยงังมีไหมอีกคะอ่าอีกข้อนึ่ง<ม>คำถามจากคุณแบทแมนมเวลาพะปัดกวาดลานวัดหรือภายในบ้านอาจจะเจอมดแมลงท่านทำยังไงให้หมดแมลงหายไปไม่มารังควานครับอ๋อไม่ละก็ปล่อยมันอ่ะว่าม า, มา เพราะบางครั้งเวลาปัดกวาดแม่ว่าบ้านหรือลานวัดก็อาจทําให้สัตว์เหล่านั้นตายได้ใจไม่อยากฆ่าเขาครับแต่บางครั้งก็ให้เขามากินอาหารในบ้านอย่าไปกวาดอย่าไปถูกตัวมันเสียก็ข้ามไปตรงไหนมีมดเราก็ข้ามไปปล่อยช่วงที่มันมีมดก็ปล่อยมันอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ไปมดบางทีมันย้ายบ้านย้ายช่องกันมันก็ต้องมีการเดินขบวนนะฮะเดี๋ยวพอมันย้ายเสร็จมันก็หายไป ถ้าเราเถ้าเราเห็นเราก็เลี่ยงมันถ้าเราไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้บางทีตัวมันเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเราก็กวาดไปก็ถือว่าันกรรมใครกรรมมันก็แล้วกันบวดแล้วนะอาการนี้ก่อนนะ เ, เข้าถึงเท่าไหร่ล้ะรายงานน่าก็สองแสนแล้วสามแสง 3แสนแล้ววันถึง3แสนแล้ติดตาม300กว่ารับชม3 0มกว่าแต่ก็ดีเขาไมยังดูยังมาดูออฟไลน์ได้ยังอาจออฟไลน์ก็วันหนึงก็กพันนะเกษต้เดือดห้าพันก็ขอให้ท่านจงนำเาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเ